ทำๆกันปฏิวัติทำกัน <c oughs> <c oughs> รุ น, นนี้เป็นรุนพิเศษเนาะได้ผ่านอะไรเยอะแยะจากตัวเราว่า ในกายม่ใจาการหลงผ่านผิดผ่านถูกอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจเนะี่ยเป็นทางผ่านมาแล้วไปชินมาแล้วชำนานมาแล้วนอกจากปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกายทำให้ไม่ค่อยสะดวก ก็อาจจะสะดวกมากขึ้นความหลงแต่ก่อนไม่สะดวกความทุกข์ความโกรธความคิดคงามซนความฟังวลความลังเลสงสยัยไม่มีปัญหาแล้วมีแต่สติผ่านไปเรื่อยๆเป็นทางผ่านของชีวิตชีวิตคือไม่เป็นอะไร ไปเอาผิดเอาถูกไม่ไรชีวิตไม่ผ่านหนังกระโลเรียนหนังสือไม่ผ่านต้องเรียนซ่อมออกกรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วต่ยังมีเสียงอะไรที่ไอ ในการนี้เสียงเลื่อยเครื่องเสียงตีตะปูเสียงกู้ค น, คนก็เห็นพวกนักปฏิบัติพากันนั่งสร้างเสียงหวะอยู่คนฉาลาลเดินจองกองยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าอาจะอยู่ยงคงทนบ้างศักดิ์สิทธ์ได้บ้างสติ นอกจากเรื่องอย่างนี้แล้วยังมีฝนตกทุกวันตื่นเชะที่สุโกโตไม่เคยเป็นแบบนี้แต่น้นทางไม่เคยมีแบบนี้ปีนี้ก็ล้มไปแล้วหลายคนเข้าหลงไยบานไปย่างไปเลยกันแล้วผู้มีอายุนี่ก็คือการ บทเรียนประสบการณ์จากชีวิตของเราเราก็ไม่กลัวจติตไม่กลัวอะไรไม่เรียกร้องอะไรจะลําบากไม่สะดวกก็ไม่กลัวจะหิวจะนอนไม่กลัวยากลําบากกทางไหนก็ไม่กลัวที่ชลากาย การนอนหรลุกไม่ได้ปวดเบาปวดหนักลุกยากลาบากไม่มีทางเดินนี่แต่ที่นอนกลางบูมก็กไม่ได้ครับแคบตู้ซีนั่งอยู่นี่นอนชะลาไก่หมดไม่เคยมีไม่เคยมีอย่างนี้นะเคยนอนอยู่ในห้องอย่างดีมาอยู่เช่นนี้ แสดงว่าฝึกขัดแล้วนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวอะไรสติไม่ต้องกลัวอะไรชีวิตไม่ต้องกลัวอะไระไม่เป็นอะไรนี่คือได้ผลผลตนเองความยากความลำบากความสะดวกไม่เรียกลอง ไอ้แต่ความทุกข์ความผิดความทุกข์ไม่เป็นมาแล้วง่ายนิดเดียวเห็นไม่เป็นมันโศกเห็นวันโศกไปเฉล้วมันทุกข์เห็นวันทุกไปเฉล้วมันหลงเห็นมันหลงไปแล้วมันทุกข์เห็นันทุกข์ไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่นจะเห็น เห็นนี่แสดงว่าผาดเป็นบักเป็นทางถ้าแต่ก่อนมันเป็นเป็นผู้หลงมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันผิดก็เป็นผู้ผิดมันถูกก็เป็นผู้ถูกมันร้อนมันหนาวเป็นผู้ร้อนผู้หนาวมันหิวเป็นผู้หิวฝันนี้เห็นแล้วเห็นแล้ว รู้แล้วอัญญาสิแล้วได้ได้นามนำแล้วสัพพานนำแล้วผู้รู้วอนช่างเคยแห่ไม่หวั่นไหวแม้แต่เสียงตาไหลเสียงโหเสียงร้องเสียงพูอะไรต่างๆ ต่าทิ้งใจก็ไม่หวั่นไหวเป็นช่างศึกไ้เชแล้วผู้สู่สงคามได้ผู้ฝึกฝนตนดีไม่หวั่นไหวแล้วเพราะเนินทาสรัตเสริญเป็นภูเขาศิลาแท้มทึบไม่สะเทือนเพราะลมเรียกว่าบันฑิต <c oughs> ผู้ฝึกฝนตนดี ให้เาะบางเคยผ่านทุกทุกชาติในชีวิตจงจะเป็นนักลบขวาระถ้าไม่ฝึกอะไรเลยส ะ, ะดวกตายไปชีวิตอ่อนเดชไม่สู้ความทุกข์ความลำบาก เนชีวิตเข้มแข็งสู้แล้วเราก็ได้สาถยยพระสูตรเพียงพอตีแล้วข้านังขาถาสัพพสังคาลอนิจจติญาปัญญายาปัจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงไม่เที่ยง อัฏฐานนี่เป็นตาติทุกเกะสมาโควิสุตติยานั่นนั่นย่อมน่อยหนยในสิ่งที่เป็นทุเที่ตนหลงนั่นแหละคือพระนิพานเอาเใ็จแล้ว <c oughs> แต่ก่อนความไม่เที่ยงเป็นทุกแบบนี้ความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกเป็นพระนิพานเสร็จ แ, แล้วเห็นแจ้งตามความเป็นจริง เราะสูตรแต่ค ว, ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์บาดนี้ความเป็นทุกข์เป็ น, นภายในพานเย็นแล้วความทุกข์เหมือนกับร้อนความร้อนเย็นลงแล้วอะไรที่มันร้อนเย็นลงแล้วในชีวิตเรา โตชักขโมหาคิ้ละทักข ค, คือไฟมันร้อนเย็นลงแล้วร้อนประความไม่เที่ยงร้อนเระความทุกร้อนปพระความไม่ใช่ตัวตนเย็นลงแล้วเอาไปสาทยายเอาไปทําในใจให้มันรู้แจ้ง จะได้เห็นข้อเท็จข้อจริงเหตุอยู่ที่ไหนแกตรงนั่นได้ทุกปรความไม่เที่ยงแต่ละเหตุไม่ต้องทุกปรความไม่เที่ยงคือฝนได้เย็นไหมเนะ่ยฮะได้เย็นไหมฝน <c oughs> ตกละต้องแก่กล้าเสี ยิ่งไม่ได้เย็นยิ่งเงี่งหูฟังฮะ <laughs> <c oughs> เออดั้งอย่สจุดท้ายได้เย็นไหมสารอาจารย์สรงเสนขยายไปไกลไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้ว <c oughs> สาราไก่กำลังว่าจะขยายอีก อาจารย์ตต้หมูว่าจะสร้างขึ้นสามชั้นเลยทีเดียวให้เป็นที่พักของผู้ชายผู้บศทำใหม่สามชั้นออกมันชาแล้ว <c oughs> ยังไม่ยอมนะเราขอใจเห็นท่านทั้งหลายมานี่ ก็รู้สึกว่าพอมีหวังศาสนาจะไอแล้วอดท่านที่มานี่เป็นปัญญาชนคนหมอก็มีทุกท่านที่นั่งอยู่นี่ถ้าได้สัมผัสกับความหลงเกี่ยนหลงเป็นไ้หลงและเราขอพึ่งท่านเกลียนทุกเป็นไ่ทุกได้ เราขอพึ่งท่านเสียนโกรธเป็นแม่โกรธได้อันละ่ะจะเป็นพี่พึ่งของโลกโลกลอนจะเย็นลงทุกวนันนี้อยากไปออกปัญหาให้นักเรียนนักถามสอบโลกลอนเพราะเหตุได โรคใจเย็นเพาเหตุอันใดตอบได้ไหมเม่อนักธรรมนะโลกร้อนเพราะเหตุอันใดโลกจะเย็นเพาเหตุอันใดตอบให้พิลัตตอบได้ไหมตระ ก, กูลจะบางครั้งอยู่ได้นานไม่เสื่อมต้องมีทำอะไรประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองเพราะมีทำอะไร แม่กองทำสารหลวงเขาออกข้อสอบนะต้องดูสิ่งแวดล้อมประจำปีเพให้คนคิดนักเรียนได้คิดถ้าตอบได้เอาไปใช้โลกจะเย็นลงเพราะมีธรรมในคนคนเป็นคนดีคนมีใจเย็นคนเป็นผู้ดูผู้เห็นเห็นทางเห็นทิศทางไม่จน นี่คือไม่ใช่ไปเกณฑ์อะไรที่มันนอกเรามันตั้งต้นจากเราเหมือนอาจารย์ทรงถิงเขียนไว้ลองทานป่าดีด้านดีดินดีอากาศดีเกิดจากอะไรอยู่ที่ไหนตอบว่าป่าดีดินดีด้าน ด, ด, านดีเกิดอยู่ที่คนคนนี้อยู่ที่ไหน ไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์ไปสอนพริ่นธรรมญาตาิต่อฮะคนดีต้องอยู่ที่เราเนี่ยคือเหตุอยู่ที่นี่แต่ทุกคน ต, ต้องต้นที่นี่นะทำไมทําไม่ได้น่าจะทําได้และเป็นสิ่งที่ต้องทําได้เพราะเราเป็ลูกมีเต้ามีผัวมีเบียมีพ่อมีแม่ ความดีของเราเนี่ยก็เป็นผลกระทบต่อคนใกล้ชิดเราพ่อขอแม่เป็นคนดีลูกก็ต้องเป็นคนดีพ่อแม่เา็นคนชั่วลูกก็อาจจะเป็นคนชั่ว <c oughs> เช่นพระนางพุ้จะดีพระเจ้าคงสนชัยแม่ดีพ่อดีได้ลูกชายป เ, ชนนเป็นเพศ่ฉันหลอนเป็นโปรที่สัตว์ พระนางสิภาปยาพระเจ้าจโตเถอะเป็นคนดีลูกเคยไ้เป็นศิรัฐะเป็นพระพุทธเจ้าหามชุ่มชุกว่าแม่เป็นคนไม่ดีอยู่บ้านทุนนมิตขแอ่ท่านขอเจริ เห็นคนผลมิดเอาเห็นผลมีดมาอยากได้เห็นเคยขอขอแบ่งด้วยได้ไหมเห็นผลมิดคนพายเห็นมาก็บอกเอาเลยบิเอาาจ้เาเท่าไหร่ก็ตามใจพยายามบิพยามตีมันก็ไม่แตกอะไรๆเป็นลูกเป็นคนขอทานซื้อโซซ มันเกิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเนี่ยทำไงแช่ความทุกข์เราจะเปลี่ยนมาได้เลยทําไม่แช่ความโกรธก็จะเปลี่ยนมาได้เลยมันมีอะไรมีเครื่องมืออะไรมันเกิดอยู่ที่ใจนอนไม่หลับพอคิดเฉยๆหลอเอาใาไม่เป็นสุกหรืเอาาเอาใจมาเป็นฉุกหรือ เอาใจมาเป็นทุกข์เอาใจมันเป็นโศกเลยไมีใช่นี่หรือชีวิตเรามันจะเจงขนาดไหนอันกายอันใจเนี่ยเราจะเจงกว่านี้ไม่ได้หรือประคตตนนะมันมีกําลังศรัทธาต้องมีพลังแกคร้าทลาได้ไกลเพิ่มหลงทำไมล้วถลาไกลก็โดดไกลมี่ศรัทธามีพลัง ความโกรธกระโดดได้ไกลพ้นจากความโกรธความทุกข์ก็โดดได้ไกลพ้นจากความทุกข์นี่ศรัทธาพลังพล ะ, พละเครื่องตัดชะลุพระเจ้าพละงง่าศรัทธาศีลสัทธาวิยะเพียนเปลี่ย น, ยนความหลงไปคมไม่ลไมหลงนั่นแหละความเพียนไม่ใช่ระนั่งหลังโขดหลงังหอความหลงอยู่ที่ไหน ขับรถอยู่ก็หลงทำงานอยู่ก็หลงนอนอยู่ก็หลงนั่หละเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันไม่ยากมันไล่ยุงยุงก็ต้องมือมาไลา่เปลี่ยนหลงเปไม่หลงเนี่ยเพียงทำความเห็นให้เห็นให้ดูดูไม่ต้องมีอะไรสติเป็นดวงตาภายใน เห็นไม่เป็นเป็นหลักสูตรตายตัวงั้นหลักสูตรสากลของการศึกษาสองห้าเป็น10ิบ็นอื่นไปได้สองห้าเป็นเท่าไหร่เป็นแปดเป็น7ให้ด้สองห้าต้องเป็น1ิบสองหกต้องเป็น1ิบสอง มันเป็นสูตรสากลธรรมะเป็นสากลใครมีสติเหมือนกันหมดคนหนุ่มมีสติคนแก่มีสติผู้หญิงผู้ชายมีสติมักปวดมีสติคนญาติใดประเทศใ ด, ดมีสติเหมือนกันหมดสากลความทุกข์เหมือนกันความไม่ทุกข์เหมือนกัน ความโกรธก็เหมือนกันความไม่โกรธก็เหมือนกันนี่ต้องกลัวกาพรพูดธรรมะถ้าใครไปเิเสธเรื่องนี้ก็รรทักปฏิเสธตัวเองเสียเวลาเสียเวลาเพราะความโกรธเสียเวลาเพราะความหลงเสียเวลาเพราะความทุกข์เสียเวลาเพราะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมากเหลืเกิน เที่ยวทันทาเลไหลเหมือนน้าไหลมาบอก่ไม่หยุดไม่หยอนเขื่อนขั้นลงไปมีสติลงไปแล้วก็เป็นเขื่อนได้ประโยชน์การมายกมือชากจังบ่ะเหมือนกับทิ้งสอบใายลงในน้าไหลเรียกว่าสังขารทั้งหลายที่มันไหล รูเอารูเอารูเอาอาทิ้งมันไปสอบหนึงสอสอบอาจจะไม่เห็นล่องรอยอะไรทิ้งมันลงไปทิ้งไปไปไปมันเต็มขึ้นมาเป็นเขื่อนเลยง่ายละวัน้ในความหลงเปนความไม่หลงในความทุกข์เนความไม่ทุกข์ในมื มันมีคู่มีความเกิดต้องมีความไม่เกิดมีความแฉะต้องมีความไม่แฉะมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็มมเบ ม, ม, ม, จมีความตายต้องมีความไม่ตายยอมถ้าไม่คิดก็ได้คิดไม่ออกก็สัพเพสังฆาณิจาติครับว่เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวกไม่เที่ยง เมื่อนอนยอมหน่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานโอ้่าไม่เที่ยงเป็นพระนิพพานได้นะมีผู้ทําได้แล้วมีคนทําได้แล้วพุทธเจ้าพระสาวกจนมาถึงพวกเรานี่ยยังมีคนทําได้อยู่เราเป็นทุกข์พอไม่เที่ยงทำไมคนเขาไม่ทุกข์กันแล้วทำไมเราจึงหลงหลอยคนที่ไม่หลงอยู่แล้ว ทำไมจงต้องโกรธหลายคนที่ไม่โกรธทำไมต้องทุกข์หลายคนไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่เราหลงสิ่งที่เราทุกข์สิ่งที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่หลงไม่โกรธเสียแล้วล่าสมัยเลยเรา <c oughs> ก่อนล่าสมัยเนื่อไรจะย้า้ออกไปสักทีเปลี่ยนฐานะของเราจากพลุชนเป็นกัญยาณชน ขึ้นไปเรื่อยๆไปเลื่อนชัดนเลื่อนภูมิฐานะทางจิตวิญญาณเดือต้อ ง, องให้บรรษัทภิชื่อมนุษย์ษสัตว์ประเสริฐประเสริฐยังไงเปลียนหลงไปไม่หลงเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เอามาเป็น ของล่เป็นของดีล่ลงไปให้ความเห็นกับตัวเองลงไปให้ข้อมูลลงไปมีสติลงไปตรงไหนที่มันข้อมูลไม่ดีให้มันลงไปช่วยกันให้เป็นด้วย <c oughs> นอกจากเราเรา พ่อแม่ช่วยกันโลกช่วยพ่อช่วยแม่แม่ช่วยโลกช่วยเจ้าญาติพี่น้องมนุษย์ช่วยกันขึ้นมาจนจิตใจจะขาดตัวนาอง ต, ตาเคยไปสวดที่สวดเ่วยคนป่วยที่วดตตันแพทฉลาดไป <c oughs> ไปร่วมกับคนกีน พวกหัวยานโอก็สวดอามิโตโูอามิโตโูอามิโตโูใช่ไหมฮะอามิโตโูอามิโตโตูให้ให้คนป่วยได้ลำลึกคิดถึงพระอมิพุทธิอมิถะพุทธเจ้าก็ดึงอยู่ทางทิศ ข้างข้างคนนอนป่วยอยู่เตียงลื้นสวดทั้งข้างซ้ายข้างขวาข้างหัวข้างเท้าัวจุนั้นเให้หลวงตาสวดหลวงตาก็ไยืนสวดเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงไม่เทียงเออนอนยอมน้อยน้อยในชีวิอ ที่เป็นทุกข์ที่ตอนหลงนั่นแหละเป็นทางเห็พนพระนิพพานตองที่เราจวบติละคณาคาถาแล้วก็แปลแล้วก็เราก็ชอบทางอืมล้วก็ชอบนะอแล้วออนะเที่ยงไหมก็งไม่เที่ยงเป็นพระ น, นิพพานมันแหละมันมีคู่ไม่คู่เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ น, นะนะเย็ยนแล้ว นี่คือปฏิบัติธรรมเอาเสียงเอาภาษามามาสัมผัสในใจถึงใจกวาไม่เที่ยงมาเป็นความเป็นปนิพพานไปถึงเชื่อโลกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันแก้กันได้เหมือนหลงตาเป็นโลกมะเรลง ตอให้กีโมคนหมอให้กีโมทำไมมาแก้มาเหล่งได้ในตับนู่นในลำคอโน่นมันแค่กันนางนก็ยังไม่ตายหายใจไม่ได้ต้องเสี่ยงเราก็ต้องเสี่ยงหมอบอกว่า อาจจะไม่ได้ผลหนึ่งสองข้อก็อายุแก่แล้วน้ำหนักลดลงมากพลังไม่พอต่อสู้กับกีโมก็ต้องจำเป็นต้องให้ไม่มีวิธีอื่นได้ที่จะต้องรักษาโรคนี้ได้ออกจากกีโมเข้าไปเอามาให้เสร็ คือก็เส้นเราไม่ต้องการหายก็ช่างไม่หายก็ช่างยอมรับโรคปังอย่างรักษาไม่ได้โรคบงอย่างรักษาได้ไม่ได้กลัวอะไรแล้วแต่ต้องเสียงมันก็ยังไม่ตายบางหายอาศาไอะไร รองทุกข์เพราะความหม่เที่ยงนั้นไม่ใช่เชื่อโลกทำความเห็นให้มันรู้แค่ขึ้นมาลันก็แค่ได้ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ไม่ความโกรธไ็นความไม่โกรธหัดเปลี่ยนยัคยมจำหนวนต่อสังขาร เปียนเป็นวิสังขารสังขารคือปรุงมีรสชาติมีรสความทุกข์ก็มีรสความสุขก็มีรสความอะไรต่างๆอันละสังขารเจ่อโลกแค่เดืวิสังขารให้ลงไปเตียนซะไม่ลงไม่โกรธไม่ทุกข์วิสังขารวิสังขารไปในผานสังขารไปจู่ สุขติท like ี่บากเปลี่ยนว่าตายเกิดต้องสู้จะหน่อยนั้นคนสุบวลีสังขารคือสู้ติดอยากพราะสู้จึงติดเพราะติดจึงอยาเพราะหยากจึงสู้เพราะสู้จึงติดเป็นสังขาร วิสังขาเพราะไม่สูกยังไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่ยากเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวแต่ต้องสู้เจ้าหน่อยมันหลงไม่หลงสู้ง่าง่ายง่ายให้ใบใยชักหน่อยโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเนี่ยมันช่วยได้เยอะเทียงกลับมาที่ตั้งกายว่าง ตั้งไว้ไม่สติเอากายเป็นนิมิตถ้าไม่มีอะไรเป็นนิมิตกลับบางหากายนิมิตทางกายหายใจเข้าหรือกระดิกเที่วมือขับรถอยู่ทํางานอยู่มันคิดแล่นไปกลับมามันหลงไปกลับมาลู่มันหลงไปกลับมาลู่ปลุ ก, กตัวถอ น, อนตัวอย่างนี้มันก็จะเป็นทําให้มันเป็น ใบไม่ใช่ลูกถ้ามันเป็นแล้วไม่ลืมแต่ทาไม่เป็นมันอาจจะลืมอาจให้มันเป็นอาจให้มันเป็นมันหลงลูกทำเป็นใบถ้าหลงเป็นหลงทำไม่เป็นกลัเป็นโกรธทำไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำไม่เป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ นิสติเข้าไปแล้วก็เป็นที่ว่าทําเป็นการทาเป็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองงัดอันนี้เรียกว่ากรรมฐานให้เป็นชีวิตกรรมฐานทั่วบ้านทั่วเมืองให้บ้านกรรมฐานพ่อแม่กรรมฐานลูกกรรมฐานอะไรต่างๆ กเศษกรรมฐานอะไรกรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทําไม่หลงไปอย่างอื่นไม่สติเป็นที่ตั้งเป็นตัวเฉลยเป็นตัวเป็นนักศึกษาสติเข้าไปเห็นสติเป็นนักศึกษาได้บทเรียนเยอะแยะต้ามันเห็นแล้วได้บทเรียน นี่ก็ผ่านนี่ก็ผ่านมันก็อันเก่าหมาเช่นทางจากกรุงเทพมาชายภูมก็เช่นเก่าส อ, สองสองูนยหนึ่งหรือ <c oughs> จับหมายเลขให้ได้อ <c oughs> ่าสองสูนหนึ่งเราถึงชายพูมแน่นอน ก็ทางเช่นนา้มันผ่านคนจะไปชมวังสวนต้องหลงเนี่ยทางผ่านตอนไหนที่มันหลงง่ายหลงนั่นอ่ะไปได้ตอนไหนที่มันทุกันอะไรต่างๆผ่านมาอืมเรีว่าผ่านหลงเป็นรูปผ่านแล้วโกรธเป็นรูปทุกเปรูปสุขเป็นรูปผ่านแล้วถึงเดินคนเดียว ไปเอาใครไปด้วยไม่ได้ทางเช่นเดียวถึงที่เดียวกันถึงที่เดียวกันพร้อมหลงก็อันเดียวกันละแหละควอมทุกข์ก้อนเดียวกันความโกรธก้อนเดียวกันรวามโลภความรักความชังอันเดียวกันไม่ไม่ไม่ใช่ มันงอกงามขึ้นมาอันเดียวก้อนโกรดก็อนเดียวใครโกรดอันเดียวกันหมดใครทุกข์อันเดียวกันหมดจะเป็นนักบวชเป็นสวาสดิเดียวกันหมดเป็นคนชาติใดภาษาใดอันเดียวกันตัวิญเจ็บตายอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกก้อนเดียวกันหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วหายใจไม่ออกก็ตายแล้วอันเดียวกัน ตอบตายใช่พวกมนเดียวกันใช่ไหม <c oughs> เป็นสากร์ดล้านไปกลัวอะไรตัว อ, อย่างมีอยู่แล้วอเอาอย่างนักปฏิปธรรมส่ในข้างพระเจ้าพระสงฆ์พระอระหันต์บางรูปเอาตัวอย่างวง พระบางรูปเอาตัวอย่างท่อ น, นจุงไหลงาแม่นาม้านั่งอยบนฝั่งแม่นาม้าเห็นท่อนจุงไหลมาท่อนจุงบางท่อนู้จับท่อนจุงไหม <c oughs> ท่อนจุงบางท่อนไหลมา <c oughs> คิดฝั่งซ้าย <c oughs> คิดฝั่งขวาไม่ไปแล้วก็มีคนมาลากขึ้นไป <c oughs> เอาไปชำแหละ แต่โลกไปจงบางท่อนไม่ไม่ติดฝังล่องไปถึงจุดหมายปลายทางก็มามามองตัวเองเออท่อนจงเหมือนกับชีวิตของเราคือภาวะที่รู้ที่เห็นนี่เหมือนเหมือนที่เหมือนทางน้ำมันจบ ติดฝังขวามัานทุกข์ติดฝังซ้ายมันพอใจติดฝังขวามันไม่พอใจติดฝังซ้ายาามันโกรธมันโลภมันหลงติดฝังซ้ายมันสงบมันทุกข์กมันสงบมันสงบติดฝังขวาเฮ้ยเหมือนกับจิตใจของเราแล้วมันก็ไปติดอยู่นานๆนานเท่าไหร่ หลงไปกับเรื่องใดบ้างนั่งอยู่สุกตโตหลงไปถึงกรุงเทพถึงที่ไหนเชียงรายหรือเชียงใหม่เ <laughs> ชียงใหม่ก็มีนะนั่งอยนะู่เนี่ยเชียงใหม่เชียงรายก็มีาหลงไปมันติดน ะ, ะลูกขึ้นมาล่องออกไปล่องไปเอามาเป็นตัวอย่างหัดตนสอนตน ถ้าชมบางลูกอยู่ในป่าเห็นเจ้งเห็นควางเวลามาหาจินมันนันองหน้ามองหลังสารวมระวังไม่ประบาดแล้วตาเคยเห็นเคยไปนั่งอยู่นิวยอร์กนั่งอยู่วัดจวงเย็นตอนเช้าเช้าควางไม่ลูกอ่อนเดินมา ตอจะสว่างมันเดินมากับลูกมันแม่มันก้าวหนังลูกก็เดินตามข้านังสองก้าวมองหน้ามองหลังเดินไปก็มองซ้ายมองขวาเดินมาเจอหลวงพ่อหลวงตานั่งอยู่ฝังสระแล้วก็มายืนดูมันก็มองคืนไปข้างหลังมอง มองเห็นลูกมันลูกพอหยุดมันก็ข้ามาอีกมันก็มองดูหลวงพ่อหลวงพ่อก็ห่มผ้อเอาคุมหัวมันหนาวแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จุดมันก็มองลูกมันลูกก็ค่อยุดตดยเฉยเดินเข้ามาใกล้มันจะมาดมจะดมหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอาปลอมปู หนึ่งอย่าเป่าจมูกมันแล้วก็หยุดเรามองหลวงพ่อก็ใส่ใส่หมวกอคุมไว้ห่ผมผ้ากี่อ่อนไว้ไม่กระดุกกระดิกเหมือนทอดเหมือนต่อใบ ม, มันก็มาโดนพ่อก็เป่าออจมูกมันแล้ว <c oughs> ก็ถอยถอยแปดปีปก็บอกลูก <c oughs> เดินล่องไปนู่น เอากระทางขอบสะแล <c oughs> ้ไปยืนให้ลูกกินนมอยู่พอลูกกันกินนลลูลกมันนอนแอบอเอา้าลูกมันเดินแอบหลอกแม่ก็เดินยือนอยู่มองลกูกมองล้ามองดนหนีไปเลยนะย่างไวเลยทิ้งลูกไปเลยจนทั้งวันเลย อ้าวทำไมนอนไอ้กวางเนี่ยมาเจ้าลูกมาฝากกับเราเลยเราต้องดูแลมันใช่ทั้งวันเลยวันนั้นพอถึงเวลาฉันข้าวพอตีแล้วค้างฉันข้าวมาฉันข้าวฉันข้าวเฉจแล้วลงไปลั่งอยู่ตั้งวันไปนั่งจนค่ำเกือบจะค่ำแล้วยังไม่เห็นกลับมาเลยแม่กวางพอจะค่ำจริงมาบุ้มบุ้มุมุมมา นึกว่าจะเปนั่งหลับจุดรูดแล ก, กวางทถอะเพราะมันมีหมาป่าด้วยแจ่านั้นหมาป่าบ้านเขานะไม่ไม่เหมือนหมาจอกป่าบ้านเราลนะตัวใหญ่เหมือนกับหมาฝรั่งนะามามากระมาณเย็ยนให้ลูกกินนกเราลูกกินนมแล้วเดินลิบไปเลยก็เออเราจะได้เกิดขึ้นคติแล้วนี่ก็คือ บางรูป อ, อย่างควงสำรวมข้อข้อทดสอบปฏิบัติยังไงคิดว่าปฏิบัติไม่ผิดตอบให้มีหลักตัวเชนี่คำถาม น, ะนักธรรมใครสอบนักธรรมนะแต่เกงข้อสอบให้ตามการตามสมัย ปฏิบัติไม่ผิดก็คือการชลรวมอินทรีย์ตาหูจะบวกดี่มีกายใจมีสตินี้สติไปในกามีสติไปในเวทนามีสติไปในกิตมีสติไปในธรรมชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดก็เกิดมีฉินขึ้นมาถ้ามีความชลรวมเราตาลวกความเพียรใจใจนี่คือว่าปฏิบัติไม่ผิด เก่งกือหมาปลายทางแน่นอนสมควรใช้เวลาเนาะพระพ่ อ, พ อ, พอมกันโอ้ไม่เชิ่อไม้ชิ่